กาลิเลโอต้องบอกว่าบุคลิกของเขาเนี่ยมีความเรียกว่าดื้อรั้นมากพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยมีวิธีที่ประนีประนอมในการแสดงออกมากนะกล้องโทรทัศน์เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่นําคุณอุปการสู่มนุษย์ก็จริงแต่มันเหมือนนาพิษภัยมาสู่เขาในบ้านปลายนะคนที่เคยจับจิออร์เดโนบรูโน่เผาก็มาเตือนกาลิเลโอว่าแบบเฮ้ยหยุด mm. คุณต้องออกมายอมรับนะว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาล mm. you're listening to the standard podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears ใดใดในโลกหลวนฟิสิกพอดคาสต์วิทยาศาสตร์เนิดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกจากสิ่งรอบตัว ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยมีคุยแตะๆกันถึงเรื่องของกาลิเลโอกันมาบ้างแล้วนะคะเราเรารู้จักเขาในมุมที่แบบว่าเขาเนิร์ดเรื่องของดาราศาสตร์มากค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากชวนมาสนิทกับกาลิเลโอกันมากขึ้นตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของออโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง ของเอกภพใช่ไหมคะแล้วก็เห็นการไฟต์ของเขากับศาสนาจักรวันนี้อยากคุยลึกไปอีกแล้วก็อยากรู้จักคนคนนี้มากขึ้นอีกนะคะใดในโลกลนฟิสิกส์วันนี้นะคะก็อยู่กับฟางและแทโรจิพนาค่ะและผมอาจว่าโรงจันทมาศครับโอเคค่ะพี่ฟองแปงทําไมเราถึงเลือกกาลิเลโอเป็นเหมือนกับถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆนะที่เราแยกเขาเออกมาคุยเป็นแบบตอนเดียเด่ยวๆเลยคนคน<ช>นี้<ะ>น่าสนใจยังไงต้องบอกว่ากาลิเลโอเนี่ยน่าสนใจมากในระดับที่ไม่คุยเนี่ย ไม่ได้มผมมองว่าเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิก์ที่มีความเป็นสมัยใหม่ที่สุดคนแรกของโลกก็ว่าได้นะความสมัยใหม่มันเส้นแบ่งมันคืออะไรคะพี่อ่าก็คือปกติแล้วนะครับถามได้ดีมากเลยคือปกติก่อนยุคกริเลโอเนี่ยคำสอนของอริสโตเติลซึ่งเป็นนักปรัชญาเนี่ยโด่งดังมากแล้วก็เมื่อมันได้รับการหลอมรวมกับ การแต่งเติมกับแนวคิดโบราณของศาสนาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแก่นหรือคำภีร์ที่คนเนี่ยสอนกันมาตลอดเกี่ยวกับธรรมชาติแต่การสังเกตการของอริสโตเติลเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนรัดกุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันนําไปสู่การสร้างข้อสรุปที่รวดเร็วแล้วก็การใช้ถ้อยคําอธิบายที่ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าเขาไม่หาอะไรมาหักล้างตัวเองเลยอะไรพวกนี้นะแล้วก็ ไม่ได้มีการศึกษาอย่างมีความเป็นคณิตศาสตร์มากนักนะครับในขณะที่กาลิเลโอเนี่ยศึกษาธรรมชาติและพยายามออกแบบการทดลองที่รัดกุมที่สุดเพื่อทดสอบว่าไอสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดจริงๆเรื่องนี้เราเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่เวลาเราจะทํางานโรงงานหรืออะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกมาเป๊ะๆแบบนี้แนวคิดที่เราออกการทดลองมาตัดสินความจริงแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากทางวิทยาศาสตร์ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่พื้นฐานสําหรับมนุษย์ในการค้นหาความจริงน ะ, ะแต่กาลิเลโอนี่แหละเป็นมนุษย์คนแรกๆที่พยายามใช้การทดลองเนี่ยในการบอกว่าเนี่ยคือข้อเท็จจริงนะเราตัดสินความจริงด้วยการทดลองกันค่ะแปลว่าเหมือนเขาเปลี่ยนวิธีการในการเหมือนกับพิสูจน์หรือหาความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆเนาะถูกต้องเลยซึ่งมันกลายเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ย ฟิสิกส์นี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่พื้นฐานมากซึ่งกาลิเลโอเนี่ยก็มีความรู้เชิงฟิสิกส์มากดาราศาสตร์ก็มีเชิงการประดิษฐ์เชิงอะไรจนหลายๆแห่งเนี่ยเขาใช้ว่ากาลิเลโอเนี่เป็นโพลีแมทหรือเป็นอัจฉริยะรอบด้านเลยคำนี้บางทีเรียกได้กับพวกเดวินชีหรืออะไรพวกนี้กาลิเลโอนี่มนุษย์ประเภทนั้นเลยน ะ, ะแล้วก็กาลิเลโอเนี่ยยังเป็นมนุษย์คนแรกๆที่พยายามจะนําความเป็นฟิสิกส์เนี่ยเข้าไปใส่วิทยาศาสตร์ คือในยุค ก, ก่อนเนี่ยการศึกษาธรรมชาติเขาจะเรียกว่าปรัชญาธรรมชาติค่ะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ อ, อาริสโตเติลแม้จะศึกษาธรรมชาติและดึงมันมีความเป็นฟิสิกส์พอสมควรแต่ก็ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ดีเพราะว่าเขาไม่เด็ดเอาการทดลองอะไรมาตัดสินความจริงคืออย่างนี้นักปรัชญายุคโบราณนะครับเขาออกจากแอนตี้การทดลองด้วยซ้ําแปลกไนหะมแปลกมากอคิดว่าเพราะอะไรคือการทดลองทุกวย่นี้เราต้องทดลองเพื่อให้หาความจริงแล้วทําไมเขาแอนตี้อ่ะทำไมอ่ะเขากลัวโดนหักหล้างเหรอ ตอนเขาจะสร้างศิษฎีตัวเองเขาก็ไม่ค่อยทดลองด้วยนะเขาเชื่อวิธีการหาความจริงที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้ปัญญาหรือญาณที่อยู่ในใจตน<อ>ซึ่งมันจะไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆหรือความไม่เที่ยงของมนุษย์หรืออะไรพวกนี้คือเชื่อในตัวเองมากๆเชื่อในปัญญาญาณหรือ อ, อะไรบางอย่างที่อยู่ในใจมไม่ต้องทดลองหรอกยิ่งทดลองนะโหดเดี๋ยวจะโดนอะไรรบกวนต่างๆคือเขามองว่ามัน มันมีโอกาสได้รับข้อเท็จจริงที่ผิดสูงอะไรอย่าี้ถู ก, กบิดเบือนไปเพราะสิ่งอื่นปัจจัยอื่นๆไปใช่ใช่คิดอย่างนั้นค่ ะ, คะแปลว่าการลิเลโออยู่ในยุคที่การทําการทดลองหรือว่าการใช้หลักพุทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเรียกได้ว่าเป็นเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ได้ทํากันตามปกติแต่เขาก็เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ปูพื้นฐานขึ้นมาเลยใช่แล้วเขายังเป็นคนแรกๆอีกนะที่ทําให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ในสาขานึงมีความเป็นฟิสิก เพราะอะไรเดี๋ยวจะพูดแต่นี่แหละคือสาเหตุที่เราต้องคุยในดรเดลโรนฟิสิกเพราะว่าฟิสิกเนี่ยสมัยใหม่ถือว่าผมว่าเกิดจากกาลิเลโอเพราะฟิสิกเนี่ยเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์กายภาพที่เราวัดหรือทําสิ่งต่างๆออกมาเป็นปริมาณและปริมาณเหล่านี้มันก็คือคณิตศาสตร์กาลิเลโอเป็นมนุษย์คนแรกๆที่พยายามจะบอกว่าอันนี้คือโค้ดของเขานะครับคือเขาบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนหนังสือและ การจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้คุณต้องเข้าใจภาษามันอภาษาที่ว่าคือคณิตศาสตร์อเป็นภาษาที่จะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเองใช่มค่ะซึ่งคณิตศาสตร์ในมุมมองของกาลิเลโออาจจะยังไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่เซนส์ของเราในยุคนี้นะครับคือมันอาจจะเป็นคณิตศาสตร์ในเชิงเรขาคณิตสส่วนมากแต่ผมถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากเลยนะอืคือธรรมชาติรอบตัวเรานะครับคนอาจอย่างดีก็อาจจะใช้ ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวแต่ธรรมชาติของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะเขารู้สึกว่าโลกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่อาณาบริเวณของพระเจ้าไม่ใช่สวรรค์มันแต่ไม่ไ้วยความวุ่นวายช่อฉนวุ่นวายสับสนอะไรแไต่หมดคณิตศาสตร์มันต้องใช้กับดินแดนที่เพอร์เฟกสวยงามเลยเนึง ก, กาลิเลโอบอกคณิตศาสตร์ต้องใช้กับทุกอย่างได้อเหมือนเป็นภาษาสากลใช่ซึ่งผมว่ามันเป็นเป็นไมซ์เซตที่แบบเหมือนหมุดที่ถูกตอกครั้งแรกในโลกใช่ว่าแบบ เนี่ยคือกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่เอาการทดลองมาตัดสินแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้บรรยายธรรมชาติได้ดีผมว่าเรื่องนี้สอเรื่องนี่แหละเป็นเหตุที่เราต้องคุยถึงกาลิเลโอพอฟังพอฟังวิธีคิดของเขาแบบนี้ฟังว่าหลายๆคนตงคลิปแบบฟังว่ากาลิเลโอต้องเป็นเด็กสายวิทย์แน่ๆต้องเรียนอะไรทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์อะไรงนี้ไหมคะจริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นกาลิเลโอที่เรารู้จักเนี่ยเขาเขาเริ่มเส้นทางนี้มาอย่างไง ก็บอกว่าการิเลโอเนี่ยเป็นคนที่เกิดในประเทศอิตาลีนะฮะเมืองปิซ่าแล้วก็เป็นเป็นคนที่เป็นเด็กที่ตัวเขาเนี่ยชอบการประดิษฐ์การทดลองอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะพอโตมาเนี่ยก็ทางบ้านก็อยากให้เรียนเรียนหมอครับเป็นเด็กสายวิทย์ครับ<อ>ก็เรียนหมอถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นทางนักดนตรีนะใช่ก็เรียนหมอเถอะเพราะว่าไรายได้ดีฮะแต่ว่าการิเลโอก็เรียนหมอด้วยนะตามที่พ่อต้องการก็ไม่ได้ซียเรียนอะไระแต่จุดเปลี่ยนของการิเลโอ เกิดขึ้นในโบสในโบสในโบสเลยเพราะมีวันหนึ่งเหมือนเขาเขาเข้าโบสคือการเข้าโบดเป็นเรื่องปกติมากเขาก็เข้าโบสไปแล้วเขาได้เห็นบางอย่างในโบสทําให้เขาออกมาเนี่ยกับความคิดที่ว่าเขาน่าจะมาเรียนฟิสิกส์และเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบทางฟิสิกส์เลยมากกว่าเขาไปปิ้งอะไรในโบสถ์ะพี่เขาไปเจอโคมไฟครค่ะโคมไฟเนี่ยมีการจุดแล้วมันก็จะมีเส้นเส้นโซ่ห้อยลงมา แล้วก็เป็นโคมแบบแชนเดรียเป็นเป็นโคมไฟนะแล้วพอจุดเขาก็จะแกว่งไปแกว่งมาอือ่าทีเนี้ยด้วยความที่เขาอาจจะเบื่อบทสวนมนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาลองจับเวลาดูว่าการแกว่งไปกลับของโคมเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหรอ่อ๋อเหมือนนี่เวลาเคยเรียนโรงเรียนคริสมามันจะมีเหมือนที่ น, นักบวชเขาถือใช่ไม้มแล้วมันก็จะแกว่งไปมาใช่ใชมชแ้วเขาก็ไปจับสังเกตสิ่งนั้นไปจับเวลาดูเนี่ยไอ้โคมที่มัน ม, มีจุดเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะทีนี้ไปจับเวลาเนี่ยจับยังไงในเมื่อเขาไม่มีนาฬิกาเนาะเขาลองใช้ชีพจรจับคร่าวๆนั่นไงคุณหมอมาแล้วจับทีพจรเขาค้นพบข้อแท้จริงประหลาดอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าการปล่อยโคมเนี่ยจะทําที่มุมค่าไหนก็ตามคือปล่อยด้วยมุมกว้าง หรือปล่อยใกล้ๆแคบๆแค่แแนี้หรือกว้างๆก็ตามปล่อยกว้างๆเนี่ยระยะเวลาในการไปกลับกับมุมแคบๆระยะเวลาในการไปกลับเนี่ยเท่ากันไม่ขึ้นกับมุมที่ปล่อยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเฮ้ยไกลกว่าจะช้ากว่าอะไรอย่างนี้ใช่ทุกคนนี่เรารู้ดีว่าอันนี้เป็นกฎเกี่ยวกับเพนดูลัมหรือลูกตุ้มค่ะซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมากในการในยุคต่อมานะครับซึ่งมีการค้นพบอีกครั้งหนึ่งโดยนัวกวิทยาศาสตร์คนอื่นแต่มันมี มีความเกี่ยวข้องในการออกแบบนาฬิกาลูกตุ้มกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามุมเนี่ยถ้าเราแกว่งกว้างนะครับแกว่งกว้างเนี่ยนะแม้ว่ามันจะต้องใช้เะยะเวลามากแต่แรงแรงดึงตรงเนี้ยมันดึงแรงมากแล้วมันแกว่งแรงมันจะใช้เวลาน้อยลงอยู่ดีแต่พอตรงเนี้ยมันใช้เวลาน้อยก็จริงแต่มันแทบจะไม่มีแรงกระชากไปทางนี้เลยมันก็ใช้เวลาเท่าๆกันกับตรงนี้ผลมันหักล้างกันพอดีนะครับและความรู้ตรงนี้เนี่ยนะ ทุกวันนี้เราสามารถนํามาสร้างแบบจําลองคร่าวๆเกี่ยวกับการเดินแบบสบายๆของขามนุษย์ได้ว่าถ้าเรามองขามนุษย์เป็นแพ่นดุลัมที่แกว่งไปมาแบบสบายๆแบบทอดน่องอะฮะเราก็จะเดินด้วยอัตราประมาณนี้เราสร้างแบบจําลองประมาณนี้ได้เราสร้างแบบจําลองของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ได้ว่าถ้าขามันยาวขึ้นหรืออะไรแบบนี้ ม, มันควรจะแกว่งไปกลับด้วยความเร็วประมาณไหนนีเกิดเริ่มต้นมาจากสิ่งนี้เลยใช่ แต่วินาทีนั้นกาลิเลโอเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาค้นพบอะไรบางอย่างที่ไม่เคยมีใครพบนะเขากลับมาทดลองดูก็พราบว่าจริงก็แบบโหเรียนด้านนี้ดีกว่าอื ม, อมเขาก็เลยสวิ t การเรียนของตัวเองเลยใช่มาด้านมาด้านเกี่ยวกับฟิสิกส์กันปรัชญาธรรมชาติท<อ>ุกนี้เลยโอเมื่อกี้คุยกันว่าเฮ้ยเขาแทบจะเป็นเหมือนกับอาชาริยะแบบรู้รอบในหลายๆเรื่องจุดเริ่มต้นจากวันนั้นจนถึงมาเป็นอาจารย์แล้วเขาเดินเส้นทางนี้ยังไงต่อสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขามากอีกเรื่องหนึ่งคือเขาได้ยินข่าวลือ เขาได้ยินว่ามันมีอุปกรณ์วิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นของที่อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ได้ด้วยการเอาเลนส์มาวางคู่กันนะเขารู้แบบนี้เขารู้แล้วว่ามีการประดิษฐ์อะไรขึ้นมามันคือกล้องสองทางไกลแต่มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเขาเลยอยากลองประดิษฐ์บ้างการิเลโอประดิษฐ์นะด้วยการฝนเลนเองนะซึ่งต้องบอกว่าการฝนเลนหรือแก้วเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายนะครับคือผมปั้นดินน้ํามันเนี่ยยังรู้สึกยากปั้นดินเหนียวยังยาก เคยทําวิชากรพโอฮะการงานพื้นฐานอาชีพในยุคผมนะเลื่อยฉลูอ่ยังยากอแต่เนี่ยฝนแก้วอก็เลยต้องทํำเพราะว่าในยุคนั้นก็อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ทําเองมันไม่มีร้านให้ซื้อเนาะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ที่เป็นไพโอเนียด้านนั้นด้านนั้นไปแล้วเขาก็ศึกษาอย่างละเอียดแล้วเขาพบว่าเขาสามารถสร้างกล้องส่องทางไกลที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้จากได้ยินข่าวลือแล้วมาทําของตัวเองดีที่สุดอ่ะอเอาจนดีสุด แล้วเขาก็ทดลองส่องไปตามจุดต่างๆบนโลกก็ไอของที่อยู่ไกลก็เห็นเป็นใกล้อันนี้โอเ ค, <okay. S 1> คแต่จุดเปลี่ยนจริงๆนะ ค, คือตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ20กว่าเท่านั้นเองเขาลองเอาไปส่องบนท้องฟ้าดูแล้วเขาค้นพบอย่างที่เคยเล่าไปนะครับก็คือค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่ใหญ่ที่สุด4ี่ดวงนะส่องไปที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของจริงไม่เคยเห็นใช่มไม่ไม่ของจริงกับเนบรูปถ่ายไม่เหมือนกันเลย ภาพถ่ายเนี่ยเราใช้กล้องนะครับแตตาเราเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดรูรับแสงแบบกล้องดังนั้นถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยทางช้างเผือกมันจะเหมือนเมฆบางๆเท่านั้นเองมไม่มีใครรู้มันคืออะไรการลิเลโอเอากล้องลองส่องไปที่ทางช้างเผือกเลยได้รู้ว่าไอ้เมฆบางๆมันไม่ใช่เมฆ ม, มันไม่ใช่อะไรเลยมันคือดาวมากมายที่มันมันละเอียดอ่อนและเล็กจกนกระทั่งเรียงเป็นจุดนับไม่ถ้วนบนทาง<ม>ช้างเผือกนั้นการลิเลโอเป็นคนแรกที่รู้ตัวตนแท้จริงของทางช้างเผือกแล้ว ดาวลูกไก่ที่เขาเห็นกันกี่ดวงนะกระจุบดาวลูกไก่เคยได้ยินไหมเซเว่นซ <Seven Sisters. S 2> ิสเตอร์เขาบอกคนตาดีๆจะเห็นเจ็ดดวงการลิเลโอเอากล้องส่องเข้าไปเห็นเป็นร้อยอะฮะอ๋อก็คือเขาเขามีวิธีการมองด้วยกล้องของเขาที่แบบมันดีมากส่วนเห็นดีเทลเหรอก็ส่องไปตามธรรมดามแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยกระจุบดาวลูกไก่ที่เห็นด้วยตาเปล่า4ี่ดวงอะเราแค่เห็นดวงสว่างสุดแต่มันยังมีดวงที่สลัวกว่าจนตามองไม่เห็นแต่ด้วยอุปกรณ์เนี้ย มันมีการแยกภาพที่ดีมากแล้วมันรวมแสงได้ทําให้แบบเขาเห็นเป็นร้อยดวงเขาได้เห็นว่าเนี่คืออุปกรณ์ที่ต่อขยายร่างกายมนุษย์ออกไปได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากกล้องโทรทัศน์เหมือนจากการประดิษฐ์ของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเจอแบบข้อค้นพบอะไรใหม่ๆทางดาราศาสตร์เต็มไปหมดอใช่<ม>แล้วก็อย่างที่บอกว่าการเจอดวงจันทร์ของาดาวพฤหัสเนี่ยมันขัดแย้งกับที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางการโครจรของทุกอย่างคะนะครับ แต่สิ่งที่ขัดแย้งมากๆจริงๆคือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ด้วยอนอยังไงนะคะเขาตกกล้องเนี่ยส่งไปที่ดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นวัตถุที่ดูแล้วมันน่าสนใจนะครับคือมันอยู่ใกล้เราแต่จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้ไปก็ไม่เคยถึงมันดูแบบแตสวยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคนโบราณเนี่ยมีทฤษฎีกับดวงจันทร์เต็ไมไปหมดเลยแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อริสโตเติลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนลูกแก้วที่แบบกลมดิกสมบูรณ์เรียบกลิบเลย อรอยที่เราเห็นบนดวงจันทร์นี่ยมันเป็นแค่แบบสีสันต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะดวงอาทิตย์ก็กลมเรียบดิกสมบูรณ์อะไรยเงี้ยการเทเ ล, ลโอส่องไปที่ทั้งสองอย่างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการส่องไปที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอันตราย ต, ต่อตาเขามากด้วยแต่โอเคตอนนั้น ก, ก็เขาอาจจะใช้วิธีอื่นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเขามองดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทัศน์แล้วก็ค้นพบว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมีภูเขาเป็นครุขระแต่ไม่หมดมีหลุ ม, ม, มนะครับ ส่วนดวงอาทิตย์เองเนี่ยเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่เรียกว่าจุดบนดวงอาทิตย์จุดแบบเป็นจุดเลยอะ่ะจุดสีดำนะฮะก็เลยแบบเฮ้ยคำสอนคสอนของอริสโตตลผิดวัตถุสวรรค์ไม่ได้สมบูรณ์แบบจริงๆแปลว่าเขาแย้งแย้งความเชื่อความคิดเดิมๆได้เห็นหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆด้วยกล้องโทรทัศน์อันสุดแสนมหัศจรรย์ของเขา <im itation> แล้วจากจุดเริ่มต้นนั้นเขาเดินทางไปยังไงต่อคะอย่างนี้คนคนก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวอันตรายด้วยนิดนึงไหมพี่บงแผนเพราะว่าเขาหักหลังความเชื่อเดิมๆอะไระอ๋อใช่แน่นอนเพราะว่าตอนที่เขาเป็นอาจารย์นะครับ <im itation> เขาต้องมีการพอพอเผยแพร่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเริ่มรับไม่ได้นะคนในระแวกนั้นเนี่ยรับไม่ได้ตอนแรกเป็นอาจารย์อยู่ปีซ่านั่นแหละ แล้วก็ย้ายมาที่เมืองปาดัวเพรา ะ, ค, ะคนบีซ่าบอกเขาไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่ปาดัวก็เนี่ยเผยแพร้คําสอนเก่าพิล อ, อ, อยู่ไม่ได้อีกมั้งโอ้ยตายแล้วคือมัน<อ>คือมันขัดแย้งกับกับความเชื่อในยุคนั้นอใช่แล้วกาลิเลโอต้องบอกว่าบุคลิกของเขาเนี่ยมีความเรียกว่าดื้อรั้นมากพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยมีวิธีที่ประณีประนอมในการแสดงออกมากนะทําให้เขา จะว่าไงดีอะกล้องโทรทัศน์เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่นําคุณูุปการสู่มนุษย์ก็จริงแต่มันเหมือนนำพิษภัยมาสู่เขาในบ้านปลายนะพะหลังจากเขาออกจากมาหลาลัยปาร์ดัวนะครับดันย้ายมาอยู่โรมโรมก็รู้กันดีนะครับเป็นนครหลวง<ร>เลยส่วนกลางของศาสนาคริสต์นะคะแกก็แบบโอ้โหนะยังเผยแพร่ต่อก็พวก เ, เราเราศา ส, สนาจักรนี่ยเบอกให้หยุดอะไรเงี้ยะนะครับแล้วบอกมันผิดมันผิดมันผิดนะ กาลิเลโอเล่นกล อ, อะไรพวกนี้กาลิเลโอเนี่ยก็เลยแต่งหนังสือมาเล่มหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยตัวซอนสมมติตัวหนึ่งเป็นเป็นเหมือนตัวแทนของศาสนาแล้วเหมือนกับกลายเป็นคนที่ถูกล้อเลียนอะไรพวกนี้<อ>ว่าแบบคราวนี้หนักเลยคนที่เคยจับจิออร์เดโนโบรูโนโเผานะฮะ<ม>ก็มาเตือนกาลิเลโอว่าแบบเฮ้ยหยุดคุณต้องออกมายอมรับนะว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาล แล้วโดยความเป็นกาลิเลโออย่างที่บอกน่าจะไม่ยอมนแน่เลยใช่ไหมคะก็สุดท้ายมันก็ไม่ทันแล้วกันเอาเป็นว่าเขาก็โดนจำคุกน ะ, ะนะแล้วก็มันทำให้ตาของเขาเนี่ยสูญเสียการมองเห็นไปเยอะมากหรือจะเรียกว่าบอดก็ได้จากการที่ถูกจำคุกนะใช่คือคุกมันก็ไม่น่าอยู่แล้วก็ลำบากก็ตาบอดไปเนาะช่วงบ้านปลายเนี่ยได้รับความเห็นใจบางอย่างก็เลยได้ออกมาอยู่บ้าน ออกมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนั้นก็มีลูกศิษย์อยู่สคนคอยสืบสารงานต่อลูกศิษย์เนี่ยเป็นศิษย์เอกชื่อวิเวียนนี่คนนี้เก่งคณิตศาสตร์มากแล้วก็ชื่อคุณทอริชันลีทอริชัลีหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าทอริชัลีเนี่ยภายในเวลาต่อมาเขานี่แหละคือมนุษย์ที่บุกเบิกการศึกษาเรื่องความดันอากาศ mm. แล้วก็สร้างบารอมิเตอร์นะครับในรูปแบบต่างๆขึ้นมาซึ่งทําให้หน่วยวัดความดันในยุคนึงเขาใช้หน่วยทอนะ ทอมาจากทอริเชลลี่อย่างเงี้ยลูกศิษย์กาลิเลโ อ, โอแปล ว, ว่าการที่การที่เขาเถูกจําคุกหรือว่าชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีนักในช่วงที่เขาคนพบอะไรมากมายแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเหมือนกับส่งทอดวิธีคิดวิธีการศึกษาในแบบวิทยาศาสตร์ไปถึงลูกศิษย์ใช่ได้ไม่ใช่แค่ลูกศิษย์เท่านั้นแต่ยังไปถึงมนุษย์ผู้เรื่องปัญญาทั่วแคว้นยุโรปแปล ว, ว่ามีคนมีคนที่เชื่อเขาแหละ ถึงแม้ว่าผู้มีอำนาจจ ะ, จะพยายามปิดสิ่งที่เขารู้เอาไว้ก็ตามใช่เพราะในปีที่กาลิเลโอเสียชีวิตนะครับในปีนั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดที่เมืองบูท็อปประเทศอังกฤษซึ่งเป็นชนบทมากเด็กน้อยคนนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนคนที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกาลิเลโอไปเต็มๆซึ่งนั่นก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันในเวลาต่อมาไอแซกนิวตันเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างลึกลับพอสมควรว่า นิวตันเนี่ยไปรับรู้งานของกาลิเลโอได้อย่างไรในเมื่อคนอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยค้นหาคนรู้ภาษาอิตาลีได้ยากมากก็เดากันไปว่าอาจจะมีคนอ่านมาเล่าหรืออะไรยังไงตรงนี้ไว้ว่ากันละกันเอาเป็นว่ามรดกทางปัญญาของกาลิเลโอที่เห็นแย้งกับอริสโตเติลเนี่ยมันจุดประกายความคิดให้เหล่านะักคิดเรืองปัญญาที่ยึดมั่นในความจริงมากกว่าในยุคต่อมามากๆแล้วจริงๆกาลิเลโอเนี่ยยังมีผลงานอื่นๆที่แร่ๆที่ หลายท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนผมเอามาเล่าให้ฟังประมาณสักองสมชิ้นแล้วกันชิ้นแรกเนี่ยเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับว่ากาลิเลโอเขารู้ว่าของหนักเนี่ยกับของเบาเนี่ยถ้าตัดอากาศทิ้งเนี่ยมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันเหมือนไปปล่อยของออกมาจากที่สูงผ<ช>มจะเห็นสิ่งนี้ใช่แต่ทีนี้กาลิเลโอรู้ได้ยังไงก่อนทดลองรู้ได้ยังไงคะ มันเป็นไปไม่ได้ที่การิเลโอจะสร้างเครื่องสูบสุญญากาศแล้วมาทดลองให้เห็นแล้วจุจู่จะบอกแบบนั้นมันต้องรู้จักอะไรบางอย่างในใจก่อนอตรงนี้แหละผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการิเลโอเนี่ยจินตนาการในความคิดเขาครับว่าสมมุติว่ามีขนนกตกลงมาถึงพื้นถ้าขนนกมันตกเบาก็คือตกช้านะอและอีกอันน่ยผมเอาลูกเหล็กมาลูกเหล็กก็จะต้องตกเร็ว ก, กว่าตามความเชื่อของอริสโตเติลถูกไหม ะะดังนั้นถ้าปล่อยลู ก, ลกเหล็กกับขนนกในสุญญากาศเนี่ย<อ>ตามความเชื่อที่โต้ต้นเนี่ยลูกเหล็กต้องตกเร็วข น, นนกตกช้าส่วนขนนกตกช้าตอนที่เลโอไม่จบการทดลองแค่นี้ในใจเขายังเอาสองอันเนี้ยมาผูกติดกันด้วยเชือกบางๆอแล้วเขาก็เกิดความคิด ว, ว่าวัตถุตัวเนี้ยมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเพราะผูกเชือกไว้แล้วมันย่อมหนักที่สุดมันหนักกว่าขนนกและมันหนักกว่าลูกเหล็กแน่นอนนิดหน่อยเพราะมันคือลูกเหล็กบวก คนนกมันต้องตกเร็วสุดสิแต่ฟังลองคิดดีๆนะครับว่าไอ้ของหนักตัวเนี้ยลองนึกถึงเพื่อนที่วิ่งเร็วมากๆแล้วโดนเชือกลังไว้โดยเพื่อนที่วิ่งช้ามากๆมันไม่ควรจะเร็วสิมันโดนไอ้คนเนี้ลังไว้มันต้องวิ่งได้ช้าลงแทนที่มันจะตกเร็วสุดมันต้องมันต้องตกกลางๆอ่ะมันเกิดความย้อนแย้งขึ้นว่าถ้าคิดเป็นชิ้นรวมๆเนี่ยมันจะตกเร็วสุดคแต่พอคิดแยกชิ้นกันเนี่ยแล้วโดนโดนเชือกลังไว้อ่ะ มันกลับมันกลับไม่ได้ตกเร็วสุดมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพาราดอกพาราดอกมาถึงความย้อนแย้งเชิงลอจิกซึ่งเรายังไม่ต้องทดลองเราก็คิดในหัวได้เนี่ยคือกาลิเลโอวิธีเลี่ยงพาราดอกส์นี้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือทุกอย่างตกลงด้วยอัตราเดียวกันหมดเนี่ยคือที่มาว่ากาลิเลโออ่ะมาถึงข้อสรุปว่าหนักกับเบาตกถึงพื้นในอัตราเดียวกันได้อย่างไร แปลว่าเขาคิดสิ่งนั้นอยู่ในหัวของเขาใช่และคิดคิดด้วยเหมือนทำการทดลองอยู่ในหัวใช่ฉายภาพออกมาเขาเรียกการทดลองในหัวมีศัพท์นะฮะ<ม>เขาเรียกว่า Thought Experiment <ม>หรือการทดลองเชิงความคิดซึ่งหนึ่งในมนุษย์ที่ทดลองเชิงความคิดได้เก่งที่สุดในโลกก็คือไอสไตน์ I <ม>นะครับไอสไตน์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทำตอน I le, ไอสไตน์ไว่ากันเลยแต่ว่าเนี่ยกาลิเลโอเรื่องที่หนึ่งคือแค่อยากร่าให้ฟังว่า เขาคิด <K id> อะไรในหัวแล้วในเวลาต่อมาอย่างที่บอกมนุษย์ที่เดินทางไปยังดวงจันทร์นะครับเขาก็เล่าค้อนกับขนนกอินทรีย์ไปทิ้งบนดวงจันทร์ที่ไม่มีอากาศก็เพราะว่ามันตกพร้อมกันจริงๆเป็นเหมือนกับการสะดุดีกาลิเลโอไปไกลๆด้วยนะครับนี่เรื่องที่1ยุเรื่องที่2นะคือเนื่องจากกาลิเลโอพยายามจะทําให้วิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติมีความเป็นฟิสิกส์เขาต้องวัดทุกอย่างให้ได้เขาเป็นคนแรกในโลกที่พยายามประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีความเป็นเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิเหรอคะใช่ฮะแม้ว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีสเกลก็ตามแต่มันพอจะบอกผลต่างอุณหภูมิได้ว่าตอนนี้ร้อนกว่าหรือเย็นกว่าอะไรแบบนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์ของกาลิเลโอเนี่ยมันรูปรูปร่างประหลาดมากครับคือมันเป็นแท่งแก้วขึ้นมาข้างในก็จะเป็นของเหลวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีกระปาะสีต่างๆเรียงรายอยู่ข้างในนะพออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระปาะสีนี่มันช่างค่อยๆลอยบ้างจมบ้างตามตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ลองไปเซิร์ชหาในในเว็บขายของออนไลน์นะครับก็มีขายอคะมีขายทุกวันนี้การีเลโอเทอร์โมมิเตอร์มีขายเยอะแยะเลยครับเป็นมรดกของการีเลโอครับก่อให้เกิดงานอาชีพและการศึกษานะครับสร้างงานสร้างอาชีพก็คือเขาเขาเหมือนอยากจะวัดอะไรออกมาตามหลักของฟิสิกส์แล้วก็ในยุคนั้นมันก็ออกมาเป็นแท่งตัวนี้ขึ้นมาใช่ฮะและผมคิดว่าเรื่องนี้มันเจ๋งมากเพราะว่า มนุษย์เราเนี่ยก่อนยุคกาลิเลโอเนี่ยเราวัดความยาวได้เรามีการกําหนดความยาวมาแล้วกําหนดมวลช่างน้ําหนักอะไรมีแต่อุณหภูมิเนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่วัดยากมากร้อนกว่าสองเท่าเนี่ยวัดยังไงทุกวันนี้ยเรายัางถามกันเลยมันไม่ง่ายนะครับรบกวนกาแฟแก้วนี้ร้อนน้อยไปครับขอร้อนกว่า น, นี้1นจุด้าเท่าพนักงานพนักงานงงเด้อใช่ไหมมัน <laughs> ออ อุณภูมิเนี่ยจับต้องยากแต่ผมมองว่าความเทเยอทยานของกาลิเลโอเนี่ยสูงมากมจะจับอุณภูมิไม่ได้เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาอื ม, ม<า>ค่ะเราเรารู้จักเขาผ่านผลงานผ่านความคิดผ่านแบบอะไรที่เขาแบบมอบไว้ให้กับโลกเยอะมากเลยเนาะแต่ถ้ากลับมาที่ชีวิตของเขาจริงๆเนาะเมื่อกี้พี่บ่องแป๋งเล่าถึงช่วงสุดท้ายที่มันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วเขามีครอบครัวไหมพี่ครอบครัวญาติหรือว่าใครที่อยู่กับเขาในตอนนั้น เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะคือกาลิเลโอเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราศึกษาประวัติชีวิตเขาได้ค่อนข้างยากก็คือแน่นอน1มันเก่าและ2คือเขาเป็นคนที่มีปัญหากับศาสนาจักรที่เรืองอํานาจมากในยุคนั้นเอกสารต่างๆหลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้มากนักเพราะว่ามันถูกเผาทําลายทําให้แบบเออเราเราไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าขึ้นก็คือว่าในยุคที่กาลิเลโอเสียชีวิตไปแล้วผ่านไปเป็นร100อปีเนี่ย ลูกนั้นโลกก็เริ่มยอมรับกับลิเลโอมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นเอฟซอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็รวมตัวกันแล้วก็คิดว่าโอ้ยหลุมศพกอลิเลโอนี่ดูแบบไม่ค่อยจะแบบสมฐานะเลยทําโลงใส่ดีๆทําให้มันอลังการเนี่ยอืะก็เลยไปขุดขุดออกมาขุดศพอ อ, ออกมาครับผมพ<อ>ากลว่าขุดเข้าไปแทนที่จะเจอโลงอยู่โลงเดียวเจอโลงอีกเจอเจออยู่อีกโลงหนึ่งข้างๆกันเลย คือใครอะคะมารู้กันทีหลังว่าเนี่ยคือญาติที่เขารักที่สุดคนหนึ่งก็คือลูกสาวเขาอืมนะครับคือลูกสาวของเขาคนนี้เนี่ยบวชบป็ชีนะตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็เป็นลูกรักของกาลิเลโอทุกครั้งที่กาลิเลโอเศร้ามีปัญหากับใครก็ตามนะครับญาติคนเนี้ยก็คือลูกสาวเขาเรียกญาติได้ไหมลูกสาวเรียกลูกสาวรเรลูกสาวเขาเนี่ย ก็จะเขียนจดหมายให้กําลังใจพ่อ อ, อยู่เสมอซัพพอร์เตอร์อยู่ตรงนี้ซัพพอร์เตอร์เป็น100ฉบับ<อ>และกาลิเลโอก็เก็บไว้ค่ ะ, ะแต่จดหมายของกาลิเลโอที่เขียนถึงลูกสาวเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือคือฝั่งกาลิเลโอเนี่ยเขาก็มีอํานาจมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรเา้าเก็บเก็บเก็บแต่ฝั่งลูกสาวกเเ็เป็นแค่เป็นแม่ชีทั่วไปทางนั้นพอเห็นว่ามาจากกาลิเลโอก็เผาเผาเผาเลยไม่ได้ เห็นการิเลโอในเขียนอะไรโต้ตอบกลับไปบ้างแต่ได้เห็นว่าโล่งยังฝังไว้ด้วยกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นแง่มุมนึงว่าการิเลโอนี่ก็ก็เป็นมนุษย์ที่มีความรักมีจิตใจที่แบบเป็นมนุษย์นะครับคือที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านรวมทั้งฝังก็อาจจะบอกว่าเอา้ามนุษย์ก็ต้องมีความรักมีอะไรสิก็มันมิแนักวิทยาศาสตร์บางคนที่เขาไม่ค่อยมีแงแง่มุมนี้เท่าไหร่ เช่นไอแซคนิวตันอย่างเงี้ยมีน้อยอแต่อย่างกาลิเลโอเนี่ยมีลูกสาวมีอะไรมีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหานี่มาดูแลจนถึงบ้านปลายชีวิตแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ไปได้ดีด้วยคุณทอวิชั ล, ลี่วิเวนนีอ่อะไรพวกเนี้ยนะครับ พอคุยกันแล้วฟังก็รู้สึกว่าเออเราเห็นความเป็นมนุษย์ของเขาดีเนอะพอรู้สึกว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ 100% แรก็ว่าอันนี้ ม, มันเป็นประวัติศาสตร์แบบร้อของชีวิตเขาหรือเปล่าแต่ว่าการเห็นชีวิตที่มันคิดค้นอะไรขึ้นมาบางอย่างซึ่งโหพอมาถึงยุคนี้พี่บองแปลงถึงขั้นบอกว่าเขาคือคนที่แบบเรียกว่าเป็นเลเจนดะ์เนาะเป็นตำนานของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการหาความรู้แต่ว่าในยุคนึงการที่เขาทําสิ่งนี้ทําสิ่งใหม่ทําสิ่งที่ย้อนแย้งกับความเชื่อมันก็ทําให้ จนตัวตายเหมือนกันนะก็ทำให้ใ ช, ชีวิตเขาไม่ได้จบด้วยดีแต่ว่าอย่าง น, นัเพราะว่ามันเห็นว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่ที่คิดแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาถึงยุคนึงมันอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับแต่สุดท้ายมันไม่สูญเปล่าแน่นอนเพราะว่าการคิดของกาลิเลโอก็ส่งผลเป็นมรดกผ่านทางลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้แต่พวกเราเองที่มานั่งคุยกันวันนี้ไม่ได้เป็นนับญาติอะไรกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออได้เรียนรู้จากเขาไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกาลิเลโอที่เราได้มารู้จักเขาลึกลงไปอ ในรากใใดๆนโลกล้วนฟิสิกส์นะคะเจอเราได้ทุกพอดแคสต์เพลเยอร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะใน YouTube ของ The Standard Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears